เวลาเราอยู่อยู่เงียบๆนะบางทีเสียงเบาๆนะเสียงไกลๆมันก็ได้ยินชัดเจนขึ้นมันอย่างเมื่อสักครู่นี้นะก่อนตอนที่เรานั่งสมาธิกนะ่อนที่จะแผ่เมตตามี ใ, ใครได้ยินเสียง เสียงนาฬิกาเนาะก็เดินดังตที่ที่ิ๊่ถึงตอนนี้เขาก็ดังนะแต่พอมันมีเสียงอย่างอื่น <c oughs> แทรกมาเนาะเสียงนาฬิกามันก็เลยเบาลงหรือว่าไม่ชัดนะเท่ากับแต่ก่อน ที่จริงธรรมชาติทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้นะอย่างนาเดกาเขาก็เดินตลอดเวลานะ่ยอยู่แล้วนะี่ยหรือบางทีเสียงแมลงนะ่ยอะไรมันก็ร้องนะ่ยอยู่แทบตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันก็สลับกันร้องจะเรียกว่าตลอดเวลาเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นนะรอบตัวของเราเนี่ยตลอดเวลาเลย แต่บางทีเราเองนะก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะใะเพราะบางทีถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับแต่ความคิดนะหรือว่าหมกมุ่นแต่สิ่งกับที่เรากำลังทำอยู่เราก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้รู้สึกนะถึงสิ่งรอบตัวเลยนะเคยมี แล้วนะปฏิบัติธรรมนะอยู่คนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังนะรอนนั้นสอนปฏิบัติธรรมที่ที่กรุงเทพนะก็มีงานก่อสร้างอยู่ใกล้ๆ ก, ก็เขาก็สร้างบ้านนะอยู่ใกล้ๆที่ปฏิบัติธรรมก็ช่างก็ตัดเหล็กนะออกเหล็กอยู่แทบตลอดเวลาเลยนะก็ถามว่ามีใครราคาญเสียงเขาตัดเหล็กไหม นก็มีหลายคนก็บอกว่าลำคาญแล้วบางคนก็บอกว่าเฉยๆบ้างโยมคนนั้นเขาเพิ่งรู้สึกตัวว่าเออทําไมเราไม่ได้ยินเสียงตัดเหล็กเลยนทั้งที่เพื่อนก็ได้ยินนได้ยินนะบางคนก็ําคาญหรือไม่ําคาญแต่ตัวเองไม่ได้ยินเลยพออาตมาพูดเขาค่อยระลึกได้ว่า มันมีเสียงนั้นด้วยเหรออันนั้นคือบางทีถ้าไม่แต่บางทีตั้งใจทำงานมากเกินไปหรือบางทีตั้งใจปฏิบัติธรรมมากเกินไปนะบางทีก็อาจจะเป็นการเพ่งเข้านะเพ่งเข้าข้างในก็ได้นะเพ่งเข้ามาจด จ, จ้องจด จ, จ่อมากเกินไปมันก็นะดื่มสิ่งภายนอกไปเลยนะ จะเรียกว่าเป็นสมาธิมากเกินไปก็ได้แต่สติเนี่ยจะช่วยให้เรารู้สิ่งรอบๆไปพร้อมๆกันด้วยนะรู้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าไหลไปกับเสียงนะอย่างเช่นมีเสียงเเปิดวิทยุตอนนี้เนะาะอาจจะที่ครัวเปิดวิทยุอาจจะฟังอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเราอยากจะไปฟังเนี่ยเราจะตั้งใจเนาะเราจะตั้งใจฟังแล้วก็เราก็จะส่งใจไปฟังนี่เขาพูดอะไรน้อพูดข่าวหรือพูดธรรมะหรือพูดอะไรถ้าเราฟังสักแต่ว่าฟังเออไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะรู้ว่าแค่มันมีเสียงเนี่ยใจเราก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะแต่ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาพูด อะไรนะเนี่ยเรียกว่าใจเราขาดสติเราเผลอไปแล้วนะเคยมีไหมบางทีคนเขาพูดกันนะแล้วมีเรื่องราวที่เราอยากจะฟังเราสนใจเนี่ยนะที่ที่ภาษาไทยเขาเรียกว่าหูพึ่งเนาะหูพึ่งนะเราก็จะเปิดหูมากขึ้นนะส่งใจไปอยู่กับเสียงที่ที่เขาพูดคุยกันมากขึ้นนะ อันนี้เรียกว่าใจเราเราไหลไปกับเขาเนาะเราเผลอไปกับเขาสตินะกับสมาธิเนะี่ยที่จริงมันคู่กันนะสมาธิเนี่ยมันทำให้เรารู้ลึกนรู้คมรู้ชัดนะเหมือนกับความนิ่งเวลามันนิ่งนิ่งแล้วเสียงอะไรเกิดขึ้นมา นะไม่ว่าจะภายในภายนอกมันเกิดขึ้นเราก็ได้ยินชัดเจนนะแต่ถ้าสมาธิมากไปมันจะจดจ้องแต่กับภายในของตัวเองหรือว่าจะต้องแค่การงานของตัวเองเป็นหลักนะแต่สติเนี่ยมันจะทำให้เรารู้รอบนะรู้รอบนะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่กระทบนะกับตัวไม่ว่าจะเป็นทางตาก็ดีทางหูก็ดีนะ ทางดิ้นทางกายนะทางใจก็ดีนะมันจะเป็นการรู้รอบจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่านะสติเป็นตัวรู้รอบนะสมาธิเป็นตัวรู้ลึกนะให้เราเอาสองส่วนเนี้มาประกอบกันเวลาเราปฏิบัติธรรมนะนะ่ะเรารู้ตัวอ่านะทั่วพร้อมนะไปทั้งหมดนะแล้วก็มีความมั่นคงนะ มันคงไม่หวั่นไหวนะอะไรเกิดขึ้นมาเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะในกายในใจเราก็รู้มันเนะนี่ยคือมันจะเป็นการทั้งรู้รอบแล้วก็รู้ลึกนะแต่สิ่งที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปรู้ให้มันชัดเกินไปเนาะนะถ้าเราไปตั้งใจ รู้แบบเอารายละเอียดมากเกินไปมันก็จะเป็นการไปเพ่งคล้ายๆเหมือนกับที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเราพยายามที่จะไปแบบไปรู้เอารายละเอียดกับมันเนี่ยอันนั้นมันก็จะลงไปเนาะเหมือนคล้ายๆมีเสียงเกิด ข, ขึ้นข้างนอกก็เราอยากจะไปฟังว่าเขาพูดอะไรอันนั้ น, นะมันก็คือไปการเพ่งเขาไปในเสียงนั้ น, นจิตใจ หรืออารมณ์ที่มันหรืออาการที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายก็เหมือนกันนะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องไปลงรายละเอียดมากนะแค่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาก็พอแล้วนะแค่รู้ว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นก็พอแล้วไม่ต้องไปพยายามไปรู้ละเอียดบางทีนักปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยจะไปสนใจแบบ รายละเอียดมากเกินไปเช่น้ปฏิบัติทำแล้วมันรู้สึกถึงหัวใจมันเต้นรู้สึกถึงเลือดมันไหลในเส้นเลือดอะไรนะอันนั้นเขาอาจจะรู้จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่สาระสําคัญของการภาวนาเนะืนะ่องเพราะว่าอาการพวกนั้นมันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เขาเขาทางานอยู่แล้วเช่นหัวใจเขาเต้นนะหรือเลือดมันไหลนะ มันไม่สามารถควบคุมได้มันเป็นไปตามกลไกของของร่างกายของธรรมชาตนะิแต่สิ่งที่เรานะควรรู้นะมาเป็นกายที่มันมันหยาบกว่านั้นนะกายที่หยากคนนั้นนะเช่นการหายใจเข้าการหายใจออกนะหรือการเคลื่อนไหวนะที่ จะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะนะหรือสิ่งที่กระทบกับกายนะเช่นนะมีลมกระทบก็ดีมีเสียงกระทบก็ดีมีภาพกระทบก็ดีนะมีสิ่งกระทบริ้นก็ดีมีสิ่งกระทบจมูกก็ดีเรียกว่านะทวานทั้งห้านะที่เป็นทวานภายนอกนะ มันกระทบขึ้นมาถ้ามันชัดเจนถ้ามันรู้สึกเราก็รู้สึกแต่บางอย่างมันไม่ชัดเจนมันไม่ได้ชวนรู้สึกก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปลงรายละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องก็ไม่จำเป็นเนาะแต่ถ้าสมาธิเราดีสติเรามากขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยค่อยเห็นเอง มันจะเห็นว่าโอ้บางทีเดี๋ยวก็หลงไปดูบางทีก็หลงไปฟังบางทีก็มีสิ่งกระทบ อ, ะอย่างเช่นเรายกมือสร้างจังหวะนะบางทีรอบนึงเนี่ยพลิกมือไปด้วยก็รู้สึกบางขณะก็รู้สึกลมหายใจแทรกเข้ามาในระหว่างที่เคลื่อนไหวมือก็มีบางขณะลมกระทบะ เราก็รู้แทรกเข้าไปก็มีเนะมื่อทีมันก็ไม่ใช่รู้แต่ว่าเฉพาะท่าที่ยกมือนะแต่บางทีก็มีอย่างอื่นแทรกเข้ามานะแทนที่จะรู้แค่สิบสี่ครั้งนะก็รู้มากกว่านั้นนะหรือถาถติเราดีขึ้น่ะรู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นสะิ่งที่มาแทรกขึ้นก็รู้นะนั้นแบบโอ้มันจะรู้ถี่มากนะ บางขณะนะแต่บางทีพวกนี้ก็เลือกไม่ได้หรอกเหมือนกับเราก็เพียงแค่ตั้งใจทำในในรูปแบบไปเนาะแต่อะไรที่มันจะรู้แทก้ก็ปล่อยให้มันแทกเข้ามาแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปกำหนดให้มันพร้อมๆกันหรือว่าจะเอากำหนดแบบอยากจะรู้มากๆเนาะเช่นแบบพลิกมือไปด้วยพยายามกำหนดดูลมหายใจไปด้วยนะ หรือพลิกมือไปด้วยเดินไปด้วยพยายามกำหนดดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายไปด้วยอนะนะถ้าเราไปทำแบบนั้นมันเป็นการเหมือนไปตั้งใจมากเกินไปมันจะเป็นการเพ่งจ้องเนาะนะหรือบางคนอยากจะรู้นะความคิดนะรู้อารมณ์นะบางทีคนพยายามที่จะดูจิตดูความคิดดูอารมณ์ ก็จะไปคอยแบบจ้องมากเกินไปนะไปคอยไปคอยดูว่าจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาในใจนะอันนั้นไม่ใช่การรู้จิตไม่ใช่รู้ความคิดนะเป็นการจ้องดูนะเป็นดักดูนะแต่การที่จะเรารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจหรือดูความคิดที่มันฝุดขึ้นมาเนี่ยเราปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยรู้ตามนะ เพราะว่าถ้าเราไปจ้องดูเนี่ยไอสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานะบางทีมันก็ไม่ปรากฏเลยเพราะว่ามันถูกจ้องเคล้ายเหมือนกับมีอะไรอยู่ในรูนะะแล้วเราไปจ้องอยู่ปากดูเนี่ยบางทีมันก็ไม่กล้าออกมาหรอกนะมันรู้มันคนอยู่ในรูมันก็รู้สึกแล้วว่านไอสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในรูมันก็รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกคอยจ้องนะมีรัศมีคอยเพ่งดูเขาอยู่นะ เขาก็ไม่ออกมาบางทีคนที่จะไปคอยดูความคิดดูอะไรต่างๆก็เหมือนนะมันเพ่งเขาไว้นะจิตก็ไม่จิตก็ไม่เกิดอารมณ์นั้นๆนะก็มีแต่มันก็ไม่ใช่เป็นการสงบจริงๆหรอกนะแต่มันสงบเพราะเราไปเพ่งจ้องเข้าไว้เหมือนกับหลายคนเนะ่ะเวลาแบบอยากจะเ อ, อ่อ อยากจะรู้หรือว่าคิดว่าอยากจะเอาชนะอะไรบางอย่างนะเช่นแบบเวลาเจอสมมตุติเจอคนเนี้ยเราไม่ค่อยชอบใจนะเนี่ยเราก็จะแบบคอยจ้องดูความไม่ชอบใจเนี่ยดูความหงุดหงิดในใจเราก่อนนะก่อนที่จะไปเจอเขาเนี่ยเนี่ยเราก็คอยจ้องไว้คอยดูไว้เพ่งไว้พอไปเจอเขาอล้วบางทีถ้าเราไม่ดุดเลยนะ เราก็เพ่งจ้องแต่จิตของเราเองเนี่ยมันก็จะไม่เกิดความไม่พอใจขึ้นมาหรอกเพราะว่าคล้ายๆเราคอยไปดักทางมันก่อนนะนะอารมณ์นะั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาหรอกนะแต่ใช่ว่ามันจะหายนะใช่ว่าเราจะรู้ความจริงนะแต่เพราะเราไปกดข่มก็ไว้เฉยๆนะมันก็เลยไม่เกิดขึ้นนะอันนี้บางขนานะดังนะนะั้นการจะดูความคิดดูอารมณ์ต่างๆเนะี่ย ป่อยให้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติถ้าเราค่อยๆตามรู้มันเนาะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมามันลากเราไปคิดปรุงแต่งนะรากเราไปสุกไปทุก์ไปจมต่อมาแล้วเราไม่รู้ทันเนี่ยก็ะแสขงเราขาดสตินะขาดสติก็คือขาดสมาธิเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเราไม่รู้ทันะนะนะ ไม่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าไม่มีความวรู้ก็เรียกว่าขาดสตินะเมื่อมันคิดแล้วมันมีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วเราไปอยู่กับมันเราไปจมกับมันก็เรียกว่าขาดความตั้งมั่นของจิตนะก็ไม่มีสมาธิเหมือนกันนะนั้นสติกับสมาธิเนี่ยมันคู่กันนะสติเป็นตัวรู้รอบนะสมาธิเป็นตัวรู้ดึกแล้วก็รู้ชัดหรือว่ารู้ละตั้งมั่นนะ เราจะเรินสติเนี่ยมันได้ทั้งสติแล้วก็สมาธินะไปด้วยกั น, นแต่เป็นการรู้แบบไม่เพ่งทั้งข้างนอกไม่เพ่งทั้งข้างในนะเป็นการรู้แบบสบายสบายรู้แบบผ่อนคลายนะรู้แบบไม่ต้องจ้องดูนะเหมือนมีตอนหนึง่งหลวงพ่อเทียนนะไปหาหลวงพ่อคาเขียน ตอนหลวงพ่อเขียนท่านบวชอยู่ใหม่ๆส่วนใหญ่หลวงพ่อก็มักจะนั่งเอในกุฏินะปิดประตูนะ่นั่งยกมือสร้างจังหวะอยู่ในห้องนะหลวงพ่อเทียนท่านก็มาหาที่กุฏิก็มาถามทําอะไรอยู่นะ <c oughs> หลวงพ่อเขียนบอกนั่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ครับท่านก็ถามเห็นข้างนอกไหม ไม่เห็นครับเเทํำไงถึงจะเห็นข้างนอกอ่ะหพ่อตมเขียนเออกมาเปิดประตูออกมาหาหลวพ่เทียนก็อยู่ตรงชายเสประตูหลวงพ่เทียนก็บอกเนก็ถางเห็นข้างนอกไหมหลวงพ่อตัมเขียนเขบอกเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับอให้ทําแบบนี้นะอื ตอนนั้นหลวงพ่อเขียนก็อยู่ตรงบานประตูเนาะมองข้างนอกก็เห็นมองข้างในก็เห็นหลวงพ่อเทียนก็บอกให้ทําแบบนี้นะแล้วท่านก็เดินไปตอนแรกหลวงพ่อเขมเขียนก็ไม่เข้าใจว่าให้ทําแบบนี้หมายถึงว่าให้นั่งอยู่ข้างหน้าแบบนี้เหรอแต่ตอนดังท่านก็ค่อยเข้าใจว่าอ๋อการให้เห็นข้างนอกเห็นข้างในเนี่ยคือเห็นเนี่ย เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะรายรอบตัวเราด้วยนะเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราด้วยนะคือเห็นทั้งตัวเองเห็นสิ่งที่กระทบนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยนะเห็นความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจด้วยนะอันนี้เรียกว่าเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในเนาะเรียกว่ามีทั้งสติมีทั้งสมาธินะ การเป็นผู้เห็นมันเนี่ยนะไม่ใช่ไปเป็นกับมันเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะเราพยายามสร้งสติให้เป็นผู้เห็นนะแล้วก็มีสมาธิคือความตั้งมั่นเห็นแล้วไม่ไหลไม่เผลอไปเป็นกับมันเห็นความคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้คิดนะเห็นความสุขก็ไม่ได้เป็นผู้สุข บาทีปฏิบัติทำแล้วมันสุขมันสบายนะถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะคอยสบายไปกับความสุขนั้นแต่ถ้าเรารู้ตัวมันก็จะกลายเป็นผู้เห็นความสุขนะรู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ว่ามีความสงบเกิดขึ้นในใจนะแต่ก็เห็นมันอยู่อืเห็นเห็นร่างกายเขาปวดเมื่อยเขาทุกข์นะร่างกายปวดเมื่อย พุกเนี่ยมันก็เป็นของจริงนะแต่ถ้านะเราไม่เห็นเนะี่ยเราก็จะเป็นผู้ปวดเมื่อยเป็นผู้เจ็บนะแต่ถ้าเราเห็นแล้วก็อืมร่างกายปวดเมื่อยส่วนหนึ่งนะี่ยใจที่เห็นก็ส่วนหนึ่งนะมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นเนะี่ยมันก็จะไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งมากหรือน้อยกว่าที่มันจะเป็นนะเนะี่ย มันก็รู้ตามตามปกติตามธรรมชาติของมันนะเราไม่ใช่ว่าแบบสมมติสมมติมันปวดระดับห้าเราก็รู้ว่ามันปวดระดับห้าไม่ต้องพยายามคิดว่ามันไม่ปวดหรือไม่หรือถ้าเราไม่มีสติเราจะคิดว่ามันปวดมากกว่าที่มันควรจะเป็นมันก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเหมือนเราถูกแดด ถูกความร้อนเราก็รู้สึกว่าร้อนนะี่สติก็รับรู้ว่ามันร้อนก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่ร้อนนะไีไม่ได้คิดแบบตรงข้ามไม่ได้คิดแบบแก้ต่างให้กับร่างกายหรือจิตใจนะร้อนก็รู้ว่าร้อนนะหนาวก็รู้สึกว่าหนาวนะีเจ็บปวดเมื่อยก็รู้สึกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะแต่เพียงแต่ว่าเราแยกกายกับ แ, แยกใจนะ แยกอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะให้เป็นคนละส่วนกันนะอาการของกายก็เป็นเรื่องของกายนะอาการของกายก็ต้องบรรเทาก็ต้องแก้ไขก็ต้องรักษานะไปตามเหตุตามปัจจัยที่ทาได้เนาะแต่าการของใจเนี่ยเราใชนะ้การที่ไม่เข้าไปเป็นกับมันนะการรู้ทันนะรู้ สิ่งี่เกิดขึ้นเฉยๆไม่ไปเป็นกันมันเนี่ยมันจะเป็นการพ้นออกมาเนาะคำว่าพ้ น, นพ้นทุกข์เนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเราจมน้ำนะแล้วเราก็ออกมาจากน้ำมาอยู่ฝั่งแล้วนะประมาณนั้นเหมือนเราจมลงไปเราขึ้นจากน้ำได้มาอยู่ฝั่งเนี่ยก็เรียกว่าพ้นน้ำเนา ะ, ะ, ะเราพ้นแดดเหมือนกันเราออกอยู่แดด เราหลบมาอยู่ร่มนะก็เรียกว่าพ้นแดดนะพ้นทกุก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกจะไม่มีนะทุกมันก็มีแต่เราพ้นออกมานะเราพ้นออกมาอยู่ที่ที่ปลอดภัยนะ <c oughs> ถ้าเรามีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะพาให้เราพ้นออกมาด้วยปัญญาเนาะมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเป็นปกติ แม้ปลอดภัยเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งนะแต่เราก็พยายามมีสตินะบ่อยๆ่ยยนะความต่อเนื่องนะความปลอดภัยนะที่จะไม่หลงไม่ไหลไปกับความคิดกับอารมณ์ต่างๆเนะี่ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะหรือบางขณะอารมณ์มันเนียนอารมณ์มันละเอียดนะเราก็ลงไปกับมันเนาะก็ไม่เป็นไรนะก็ กลับมาใหม่นะในขณะที่ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่ามันจะไม่หลงใช่ว่าจะไม่เผลนะแต่เผลอไปแล้วอ่ะรู้ทันเร็วๆน ะ, ะเผลอไปแล้วถ้าสติรู้ทันมันจะทำให้กลับมาเองของมันนะเรียกว่าเป็นอัตโน ม, มัตนินะไม่ใช่ตั้งใจนะนะคล้ายๆเหมือนกับมือเราไปถูกของร้อนมันก็ชักออกมาเองโดยที่ เป็นปฏิกิยาแบบอัตโนมัตินะเหมือนถ้าจิตเราไปจมกับความคิดไปจมกับอารมณ์พอสติรู้ทันเนี่ยมันก็วางของมันเองนะอันนี้ถ้าสติมันพอกำลังมันพอกับกับอาการที่มันจมอนเนาะคล้ายๆเหมือนกับรถติดดมนั่นแหละนะถ้ากำลังรถมันแรงพอนะถ้าทางการเคลื่อนรถมันถูกต้องมันก็พ้นจากลมได้นะ เวลาเราติดอารมณ์ก็ดีติดอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทุกอารมณ์สุขอารมณ์อะไรก็แล้วแต่นะถ้ากําลังสมาธิกําลังสติมันพอเนี่ยมันก็จะถอนออกมาได้แต่ถ้ามันไม่พอเราก็ <c oughs> อย่าไปกังวลว่าทําไมมันยังยังทุกข์อยู่ทําไมไม่ถึงโกรธอยู่นะทาไมยังเป็นอยู่นะก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็สร้างสตินะ สร้างสติตรงไหนถ้ามันจมกับความคิดจมาเราก็มาสร้างสติในฐานกายนี่แหละนะจะา ก, การพลิกมือเคลื่อนไหวจะเดินจงกรมจะดูการหายใจเรามาสร้างฐานกายกลับขึ้นมาสนะติมันก็จะมีกำลังมากขึ้นมันก็จะค่อยค่อยค่อยค่อยดุดไปเองนะที่จริงก็ บาทีอาจจะดุตตอนไหนแล้วก็ไม่รู้นะเพราะพอเรามาสนใจที่การเคลื่อนไหวที่จริงมันก็ <c oughs> มันก็ดื่มความทุกขสิ่งที่จมไปชั่วขณะแล้วนะทาไปทําไปเอ้าหายโกรธของมันเองแล้วนะหายทุกของมันเองแล้วมันก็มีเนะี่ยเยอะแย ะ, ยะมากมายเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนอารมณ์เนาะเราเปลี่ยนมารู้สึกกับอารมณ์อื่นแทนะอันนี้แหละเนาะเรา จะทำอะไรก็แล้วแตนะ่คอยดูตัวเองเนาะดูการเคลื่อนไหวดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจเนะี่ยเรียกว่าดูตัวเองนะแต่ก็รู้สิ่งภายนอกด้วยนะอะไรเกิดขึ้นนอกตัวเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงเมื่อจะเป็นภาพไม่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแตนะ่เราก็คอยรู้ทันเนะี่ยเราก็รู้เนยะ รู้เพื่อเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องนะรู้เพื่อนะป้องกันอันตรายนะมันก็เป็นการรู้รู้รอบแล้วก็รู้รึกนะรู้ทั้งในตัวรู้ทั้งนอกตัวนะแต่ก็ไม่ใชม่มันจะรู้ทุกอย่างนะที่จริงมันก็ตามแต่ที่มันจะรู้ได้นะแต่เราก็เปิดมันไว้ก่อนนะเปิดไว้ไม่ใช่ปิดไว้นะ เปิดไรบางทีอะไรมันเด่นอะไรมันโดนใจเหมือนก็จะรู้ของมันเองอะไรไม่ได้เป็นความสนใจมันก็ไม่รู้นะแต่บางอย่างเราก็ควรรู้เพราะว่าถ้ามันจะเกิดอันตรายเนาะเดินไปบางคนจ้องแต่การเดินแต่เองนะลืมดูมระยะห่าสักห้าเมตรอาจจะไม่เห็นงูก็ได้ไม่เห็นตรงใกล้ตัวนะมันก็อาจจะโดน หรือว่าไปเหยียบเราแล้วก็ได้นะนั้นเราก็ดูเนี่ยมันเหมือนเหมือนเราขับรถนะเราจะดูแต่กระลังขับอยู่มันไม่ได้นะก็ต้องดูข้างนอกด้วยดูรถที่วิ่งข้างหน้าดูรถที่วิ่งสวนมาสนะติเราก็อยู่กับการขับรถสติเราก็อยู่กับการดูทางไปด้วยอนะไรเงี้ยสติเราก็อยู่กับการเปิด ฟังเสียงไปด้วยนะมาเทียจะมีรถบางคันบีบแต่หอแซงนะบีบแต่เตือนอะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะดูนะมันเหมือนเราขับรถจริงๆแหละเหมือนตัวเราเองก็รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่สิ่งที่เกิดขึ้น ร, บรอบๆรถเราก็ต้องรู้ไปด้วยนะมาถึงจะปลอดภัยเนาะกนะารทำการงานก็ดีนะการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดีให้เรา ดูทั้งข้างนอกดูทั้งข้างในอยู่เนี้ยแหละนะแต่ก็ทำไปเรื่อยนะว่าจะทำการงานอะไรอะ่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนะกายเคลื่อนไหวเนี่ยมีตลอดเวลาเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเวลาเลยนะอย่างน้อยก็หายใจเข้าหายใจออกนะถ้าไม่รู้อะไรก็รู้ลมหายใจนะแต่นั่งนิ่งๆว่านั่งนิ่งจริงๆมันก็ยังมีความไหว อยู่ในการนิ่งของมันอยู่นะมันไม่ได้นิ่งตลอดเวลาจริงๆหรอกที่จริงแม้แต่สารานี้เราว่ามันนิ่งที่จริงมันก็ไม่ได้นิ่งตลอดนะมันก็มีอนุภาคที่มันสั่นไวเ้เล็กๆน้อยๆของมันอยู่นะพื้นดินก็มีความสั่นไหวอยู่ภายในเนาะมันไม่ได้นิ่งตลอดเวลาจริงๆหรอกแต่บางอย่างมันไม่รู้ก็ไม่ต้องมีรู้มัน บางอย่างมันชัดขึ้นมาเราก็รู้มันเนาะใจเองก็เหมือนกันนะอืม <c oughs> บางทีมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็ไหลไปคิดนะ่ะถ้าเรามีสติจริงๆเนี่ยจะเห็นความเผลอ <c oughs> ของใจนี่บ่อยมากนะเดี๋ยวก็เผลอไปดูเดี๋ยวก็เผลอไปฟังเดี๋ยวก็เผลอไปดมเดี๋ยวก็เผลอไ ป, อไปอคิดนะโดยเฉพาะ เผลอไปคิดเนี่ยจะบ่อยมากนะหรือบางทีก็เผลอไปดูเนี่ยก็บ่อยนะถ้าไปอยู่ในที่แปลกใหม่หรือว่าเจอคนแปลกใหม่เนะ่ะจะเผลอไปดูก็บ่อยนะหรือถ้าอยู่กับผู้คนกับเรื่องหรืออยู่กับเรื่องราวที่เราสนใจเนี่ยเผลอไปฟังก็จะบ่อยนะเราก็จะเห็นนะเราไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเผลอแต่คอยรู้ทันนะรู้ทันรู้ทันสิ่งที่มันเผลอไปนะ แต่ถ้าเป็นการงานบางอย่างตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจคิดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเนี่ก็ตั้งใจนะตั้งใจก็คือตั้งใจทำํำตั้งใจทําถ้ามันเผลอไปจากสิ่งที่ทำนะเขารู้ทันเช่นเราทํางานอยู่นะเกิดนะเกิดความคิดนะไปเรื่องอื่นนะเราก็รู้ทันนะเราทางานอยู่เกิดความขี้เกียจขึ้นโอ้ ก็รู้ทันเราทำงานแล้วมันดีเกิดความดีใจขึ้นมาก็รู้ทั น, นอันนี้ความดีใจความขี้เกียจมันไม่ใช่งานนะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ทำงา น, นมันก็เกิดขึ้นจริงนะเราก็รู้จริงอันนี้คือนอกจากเราตั้งใจทำงานเราอยู่กับงานเราได้งานแล้ว เราก็ได้สติในการรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเนะี่ยเราทำงานเราก็ทำแบบนี้นะแต่ถ้าเราเจอสติในรูปแบบเราก็ทำในรูปแบบเป็นหลักนะอะไรที่มันแทรกเข้ามาก็ค่อยรู้มันนะมันไม่มันไม่แทรกก็ไม่รู้มันไม่เด่นก็ไม่ต้องไปรู้มันก็รู้แต่เฉพาะไอสิ่งที่ทำเป็น ห, นหลักๆนะก็ก็เพียงพอนะก็เพียงพอนะ แต่ถ้าสติเราดีจริงมันก็จะค่อยค่อยเห็นเห็นอย่างอื่นแทรกเข้ามาของมันเองนะหรือว่าเห็นไม่ได้เห็นแต่การเดินไม่เห็นในการยกมือหรอกนะดูกายมันก็จะเห็นใจนะเห็นอาการที่เกิดขึ้นนะกับจิตกับใจนะมันก็จะเห็นแทรกของมันเองนะไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปจ้องไม่ต้องไปคอยคอยดูมันนะแต่มันแทรกขึ้นมา มันก็จะรู้ของมันเองนะหรือใจเวลาเกิดความคิดเกิดอารมณ์ขึ้นมานะพอสติมันแทรกขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ก็จะตกไปของมันเองนะเหมือนมันมีกำลังนะมันก็เบียดของมันเองคล้ายๆเหมือนกับความมืดกับความสว่างตอนนี้มันมืดเมื่อเปิดไฟความสว่างก็มาแทรกความมืดของมันเอง มันมีกำลังมากกว่านะความสว่างมีกำลังมากกว่าก็แทรกออกมาได้ถามว่าความมืดก็ยังอยู่ไหมก็ยังอยู่รอบๆความสว่างนั่นแหละนะแต่สติมันก็แทรกเข้ามาจาับความหลงได้นะความหลงมันก็จะมันก็ยังมีอยู่นะแต่สติเขาเข้ามาแทรกมาแทนที่ไดนะ้อันนี้เราก็ทำแบบ น, นี้เนาะนเยอะๆ ย, ยิ่งเป็นโอกาสดีนะเราอยู่กัน ไม่มากนะนะอยู่กันก็อยู่กับตัวเองนะหรือเกี่ยวข้องกันก็นะิดนิดๆหน่อยๆนะไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมากนะเป็นพื้นฐานสำคัญของการภาวนาเลยนะนะอยู่คนเดียวได้หนระืออยู่กับมิตกับเพื่อนก็พูดคุยกันเล็กๆน้อยๆตามความจําเป็นไปเนะี่ยมันก็เป็นพื้นฐานสำคัญทําให้การบวชของเราหรือว่าการ ปฏิบัติธรรมของเรามันมันจะมีความก้าวหน้าได้ง่ายขึ้นน ะ, นะถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะก็แสดงว่าใจเราก็ไม่ค่อยบล็อกแบกไปที่อื่นลยแต่ถ้าบางคนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องไปคอยหาคนนั้นคนนี้พูดหรือต้องคอยหาทานงานทำเหมือนเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องอยู่นะ ก็อาจจะอยู่ได้ในวัดอยู่ได้ในผ้าเหลืองแต่อาจจะไม่เรียกว่าอยู่ได้ในธรรมก็ได้นะแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะอยู่กับการงานก็ได้อยู่กับผู้คนก็ได้นะแปลว่าเราอยู่ได้จริงนะอยู่ได้ทั้งภายนอกอยู่ได้ทั้งภายในไม่มีอะไรทำเราก็อยู่ได้มีอะไรทำเราก็อยู่ได้นะอยู่คนเดียวก็ได้ อยู่กับคนอื่นก็ได้เนี่ยอันเนี้ยมันดีนะออมันต้องการภาวนาต้องแบบสะเทินน้ําสะเทินบกนะเออะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะออะไรก็ได้เนี่ยอยู่ในร่องรอยของศีลของธรรมนะเออจะทําทอะไรก็อยู่ในร่องรอยของศีลของธรรมนะไม่ขาดศีลไม่ขาดใจในนะ คือธรรมนี่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกบางทีก็เผลอเป็นอธรรมบ้างนะแต่เราก็จะเปลี่ยนอธรรมเป็นธรร ม, มะเป็นกุศลธรรมเนี่ยเป็นธรรมกลางๆก็มีนะเรวก็เปลี่ยนมนาะเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะหลวต้องเขียนบอกเปลี่ยนหลงเป็นรูนะ้เปลี่ยนผิดเป็นถูกนะเปลี่ยนจากขาดสติให้เป็นมีสตินะนี่แหละคือเราก็เปลี่ยนแบบนี้เนาะ พูดมาก็เลยเกลียดตามาจดับตาแบบตะพ้องกัน